แนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องฤิเมื่อพิจารณาในแง่ผลต่อที่คนเข้าไปเกี่ยวข้องกับฤิดแล้วคราวนี้ลองมาพิจารณาดูแนวปฏิบัติจากพระจริยาวัดของพระบรมศาสดาและพระสาวกทั้งหลายผู้เรื่องริดว่าท่านใช้ริดหรือปฏิบัติต่ออิทธิปฏิหารกันอย่างไร สำหรับองค์พระพุทธเจ้าเองปรากฏชัดจากพุทธดำรัสที่อ้างแล้วข้างต้นว่าทรงรังเกียจไม่ทรงโปรดทางอิธิปาติหารและอาเทศนาปาติหารแต่ทรงสนับสนุนอ น, อนุสาสนีปาติหารและทรงใช้ปาติหารข้อหลังนี้อยู่เสมอเป็นหลักประจำแห่งพุทธกิจหรือว่าให้ถูกแท้คือเป็นตัวพุทธกิจทีเดียวทั้งนี้ด้วยเหตุผลดังแสดงแล้วข้างตน้น แต่ก็ปรากฏอยู่บางคราวว่ามีกรณีที่ทรงใช้อิทธิปาติหารบ้างเหมือนกันและเมื่อพิจารณาจากกรณีเหล่านั้นแล้วก็สรุปได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิปาติหารเฉพาะในกรณีที่จะทรงทรมานผู้มีฤทธิ์ผู้ถือฤทธิ์เป็นเรื่องสําคัญหรือผู้ถือตัวว่าเป็นผู้วิเศษให้ละความหลงไหลมัวเมาในริศพูดอีกอย่างหนึ่งว่าใช้ฤทธิ์ปราบฤทธิ์ เพื่อให้ผู้ชอบบริษหรือลำพองนิริตตระหนักในคุณค่าอันจํากัดของฤทธิ์มองเห็นสิ่งอื่นที่ดีงามประเสริฐกว่าฤทธิ์และพร้อมที่จะเรียนรู้หรือรับฟังสิ่งอันประเสริฐนั้นซึ่งจะทรงชี้แจงสั่งสอนแก่เขาด้วยอนุสาสนีปาฏิหารต่อไปทั้งนี้ตรงกับหลักที่กล่าวข้างต้นว่าใจอิทธิปาฏิหารประกอบอนุสาสนีปาฏิหาร แต่เป็นการใช้ประกอบในขอบเขตจำกัดอย่างยิ่งคือเฉพาะในกรณีที่ผู้รับคำสอนฝักใยนิริตหรือเมาริศแสดงทิฐิมาหน้าต่อพระองค์เท่านั้นเช่นเรื่องการทรมานพระพรมเป็นต้นส่วนพระมหาสาวกทั้งหลายก็มีเรื่องราวเล่ามาบ้างว่าใช้ฤิศประกอบอนุสาสนีแก่ผู้ฝักใฟริเช่นเรื่องที่พระสารีบุตร สอนหมู่ภิกษุสิทธิพระเทวทัตโดยอาเทศนาปาฏิหารควบกับอนุสาสนีปาฏิหารพระมหาโมคลานะสอนด้วยอิทธิปาฏิหารควบคู่กับอนุสาสนีปาฏิหารส่วนการทำอิทธิปาฏิหารเพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือมีเรื่องเล่ามาบ้างน้อยเหลือเกินแต่กรณีที่ขอร้องให้ช่วยเหลือด้วยอิทธิปาฏิหาร ไม่พบในพระไตรปิฎกเลยแม้แต่แห่งเดียวจะมีผู้ขอร้องพระบางรูปให้แสดงอิทธิปาติหารบ้างก็เพียงเพราะอยากดูเท่านั้นและการแสดงอิทธิปาติหารให้ชาวบ้านดูพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทห้าไว้แล้วดังได้กล่าวข้างตน้นสำหรับเรื่องอิทธิปาฏิหารในคมพีดูได้จากบันทึกพิเศษท้ายบท ในที่นี้ขอย้ําข้อคิดตามหลักพระพุทธศาสนาไว้อีกครั้งหนึ่งว่าในชีวิตที่เป็นจริงในระยะยาวหรือตามปกติธรรมดาของมนุษย์มนุษย์ก็ต้องอยู่กับมนุษย์และเป็นอยู่ด้วยเหตุผลสามัญของมนุษย์เองจะมัวหวังพึ่งอํานาจภายนอกที่มองไม่เห็นซึ่งไม่ขึ้นกับตนเองอยู่อย่างไรทางที่ดีควรจะหันมาพยายามฝึกหัดตนเองและฝึกปรือกันเอง ให้มีความรู้ความสามารถชำนิชำนานในการแก้ปัญหาตามวิธีทางแห่งเฮตุผลอย่างสามัญของมนุษย์นี่แหละให้สำเร็จโดยชอบธรรมความสามารถที่ทำได้สำเร็จอย่างนี้ท่านก็จัดเป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งและเป็นฤทธิ์ที่ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนามีทางอามิสรทธิ์และธรรมฤทธิ์โดยถือธรรมฤทธิ์เป็นหลักนา ฮามิสริษความสําเร็จหรือความรุ่งเรืองทางวัตถุวัตถุรุ่งเรืองหรือวัตถุเป็นแรงบันดาลธรรมริษความสําเร็จหรือความรุ่งเรืองแห่งธรรมธรรมะรุ่งเรืองหรือธรรมะเป็นแรงบันดาลมีมาในอังกุตระนิกายทุกกนิบาศ อันหนึ่งความมีรูปโชมงามผิวพรรณผุดพองความมีอายุยืนความมีสุขภาพดีความมีเสน่ผู้คนช ม, ชมชอบอยู่ใกล้ก็เรียกว่าเป็นฤทธ์เช่นกันมีมาในจิคานิกายมหาวัชและมาชิมานิกายอุปริปันธาสรุปเหตุผลข้อใหญ่ที่แสดงถึงขอบเขตจำกัด หรือจุดติดตันของอิทธิปาฏิหารตลอดถึงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งทําให้ไม่สามารถเป็นหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับจุดหมายของพุทธธรรมและไม่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดําเนินพุท ธ, ธรมรรคาไม่อาจเป็นที่พึ่งอันเกษเมหรือปลอดภัยได้เหตุผลนั้นมีสองประการคือ 1. ทางปัญญา อิทธิปาฏิหาริย์เป็นต้นไม่อาจทำให้เกิดปัญญาอย่างรู้สัจธรรมเข้าใจสภาวะธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงได้ดังตัวอย่างเรื่องพระภิกษุมีริที่หอกไปหาคำตอบเกี่ยวกับสัจธรรมทั่วจักรวาลจนถึงพระพรมผู้ถือตนว่าเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลโลกก็ไม่สำเร็จแล้วเรื่องฤาษีมีริหอไปดูที่สุดโลกพิภพจนหมดอายุก็ไม่พบเป็นตัวอย่าง 2. ทางจิตอิทธิปฏิหารเป็นต้นไม่อาจกำจัดกิเลสหรือดับความทุกข์ได้จริงจิตใจมีความขุนมัวกลัดกลุ้มเร่าร้อนถูกโลภโทสะโมหะครอบงำก็ไม่สามารถแก้ไขให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้แม้จะใช้ฌานสมาบัติขมระ ง, งับไว้ก็ทำได้เพียงชั่วคราว กลับออกมาสู่การเผชิญโลกและชีวิตตามปกติเมื่อใดกิเลสและความทุกข์ก็หวนคืนมารังควานได้อีกเมื่อนั้นยิ่งกว่านั้นอิทธิปาฏิหาริย์อาจกลายเป็นเครื่องมือรับใช้กิเลสไปก็ได้ดังเรื่องพระเทวทัตเป็นตัวอย่างอย่างไรก็ดีถ้าความคิดร้ายรุนแรงขึ้นริดก็เสื่อมได้ พระฤต์ต้องอาศัยฌานสมาบัติเป็นฐานและผู้จะเข้าฌานสมาบัติได้ต้องทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากนิวร์